หาปัญจกวาระว่าด้วยหมวด5 325อ ย, ยาอาบัตมีหกองอาบัตมี5วินีตะวัตถุมีหอนันตริยกรรมมีหบุคคลที่แน่นอนมี5อาบัตมีการตัดเป็นวินัยกรรมมีห ต้องอาบัต ด, ด้วยอาการห้าอาบัตเพราะมุสาวาตเป็นปัจจัยมีห้ากิุไม่เข้ากรรมด้วยอาการห้าอย่างคือ 1. ตนเองไม่ทำกรรม 2. ไม่เชิญภิกษุอื่น 3. ไม่ให้ฉันทะหรือปาริสุทธิ 4. เมื่อสงทำกรรมย่อมคัดค้าน 5. เมื่อสงฆ์ทำกรรมเสร็จแล้วกลับเห็นว่าไม่เป็นธรรมภิกษุเข้ากรรมด้วยอาการห้าอย่างคือหนึ่งตนเองทำกรรม 2. เชิญภิกษุอื่น 3. ให้ฉันทะหรือปริสุทธิ 4. เมื่อสงฆ์ทำกรรมไม่คัดค้าน 5. เมื่อสงฆ์ทำกรรมเสร็จแล้วก็เห็นว่าเป็นธรรม กิจห้าอย่างสมควรแก่ภิกษุผู้ถือเที่ยวบินธบาตคือ 1. เที่ยวไปไม่ต้องบอกลา 2. ฉันคณะโพชนะได้ 3. ฉันปรมพระโพชนะได้ 4. การไม่ต้องอธิษฐาน 5. การไม่ต้องวิกับภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้า จะเป็นภิกษุเลวสามก็ดีจะเป็นภิกษุมีธรรมอันไม่กำเริบก็ดีย่อมถูกระแวงถูกรังเกียจคือ 1. มีหญิงแพศยาเป็นโคจร 2. มีหญิงไม้เป็นโคจร 3. มีสาวเื้อเป็นโคจร 4. มีบรัน덧เป็นโคจร 5. มีภิกษุณีเป็นโคจรน้ำมันมีห้าชนิดคือหนึ่งน้ำมันงาสองน้ำมันมเมล็ดพันผักกาดสามน้ำมันมะสางสี่น้ำมันละหุ่งห้น้ำมันเปลวสัตว์มันเหลวสัตว์มีห้าชนิดคือหมันเหลวหมี 2. มันเหลวปลา 3. ม, มันเหลวปลาฉลาม 4. มันเหลวหมู 5. มันเหลวลาความเสื่อมมีห้าอย่างคือ 1. ความเสื่อมญาติ 2. ความเสื่อมโภคสมบัติ 3. ความเสื่อมคือโรค 4. ความเสื่อมศิล 5. ความเสื่อมทิฏฐิความถึงพร้อมมี5้าอย่างคือ 1. ยาติสัมปทาความถึงพร้อมแห่งญาติ 2. โพคะสัมปทาความถึงพร้อมแห่งโพคสมบัติ 3. อารคยะสัมปทาความถึงพร้อมแห่งความไม่มีโรค 4. ศีลสัมปทา ความถึงพร้อมแห่งศิลป์หทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมแห่งทิฏฐินิสัยระงับจากพระอุปชามีหคือ 1. พระอุปชาหลีกไป 2. พระอุปชาศึก 3. พระอุปชามรณภาพ 4. พระอุปชาไปเข้ารีดเดียรถี 5. พระอุปชาสั่งบังคับบุคคลห้าจำพวกไม่ควรให้อุปสมบทคือ 1. มีกาละบกพร่อง 2. มีอวัยวะบกพร่อง 3. ม, มีวัตถุวิบัติ 4. มีการกระทำอันเสียหาย 5. ไม่บริบูรณ์ผ้าบาังสุกูลมีห้าอย่างคือ 1. ผ้าตกที่ป่าช้า 2. ผ้าตกที่ตลาด 3. ผ้าหนูกัด 4. ผ้าปลวกกัด 5. ผ้าถูกไฟไหม้ผ้าบาังสุกุลแม้อื่นอีกห้าอย่างคือ 1. ผ้าที่โคกัด 2. ผ้าที่แพกัด 3. ผ้าที่ห่มสถูก 4. ผ้าที่เขาทิ้งในสถานที่อภิเศก 5. ผ้าที่เขานำไปสู่ป่าช้าแล้วนำกลับมาอวหาระมีห้าอย่างคือ 1. เถยาวหาระ 2. ปะสัยหาวหาระ 3. ปริกับปาวหาระ 4. ปฏิชันนาวหาระ 5. กุศวหาระมหาโจรที่มีปรากฏอยู่ในโลกมีห้าจำพวกสิ่งของที่ไม่ควรจ่ายมีห้าอย่างสิ่งของที่ไม่ควรแบ่งมีห้าอย่างอาบัติที่เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางจิตมีห้าอย่าง อาบัตที่เกิดทางกายกับวาจามิใช่เกิดทางจิตมีห้าอย่างอาบัตที่เป็นเทสนาคามินีมีห้าอย่า ง, าาาาางสงมีห้าจำพวกปาติโมกขุเทศมีห้าอย่างในปัจจันตะชนบททุกแห่งคณะมีพระวินัยทอนครบห้าพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้ ในการกรานกถินมีอนิสงฆ์ห้าอย่างกรรมมีห้าอย่างอาบัตมีห้าอย่างจนกระทั่งสงสวนสมนุภาพครบสามครั้งภิกษุถือเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นไม่ให้ด้วยอาการห้าอย่างต้องอาบัตปาราชิกภิกษุถือเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นไม่ให้ด้วยอาการห้าอย่างต้องอาบัตทุลจใจ ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นไม่ให้ด้วยอาการ5ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุไม่ควรบริโภคอกัปปิยะวัตถุ5อย่างคือ 1. ของที่เขาไม่ให้ 2. ไม่ทราบ 3. เป็นอกัปปิยะ 4. ยังไม่ได้รับประเคน 5. ไม่ได้ทำให้เป็นเดรน ทิ่สุควรบริโภคกับปิยะวัตถุห้าอย่างคือ 1. ของที่เขาให้ 2. ทราบแล้ว 3. เป็นกัปปิยะ 4. รับประเคนแล้ว 5. ทําทำให้เป็นเด่นแล้วการให้ที่ไม่จัดเป็นบุญแต่ชาวโลกสมมติว่าเป็นบุญมีห้าอย่างคือ 1. ให้น้ำเมา 2. ให้มหระพ 3. ให้สตรี 4. ให้โคผู้ 5. ให้รูปภาพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยากมี5อย่างคือ 1. ราคะเกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 2. โทสะเกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 3. โมหะเกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 4. ปฏิพานเกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยาก 5. จิตที่คิดจะไปเกิดขึ้นแล้วบรรเทาได้ยากการกวาดมีอนิสงส์5้าอย่างคือ 1. จิตของตนเลื่อมใส 2. จิตของผู้อื่นเลื่อมใส 3. เทวดาชื่นชม 4. สั่งสมกรรมที่เป็นไปเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสห้าหลังจากตายแล้วย่อมไปบังเกิดในสุขคติโลกสวรรค์การกวาดแม้อื่นอีกก็มีอนิสงส์ห้าอย่างคือหนึ่งจิตของตนเลื่อมใสสองจิตของผู้อื่นเลื่อมใสสามเทวดาชื่นชม 4. เป็นอันรมตามคำสั่งสอนของพระศาสนา 5. ้าชนรุ่นหลังยึดถือเป็นแบบอย่างว่าด้วยองคุณของพระวิไนทอนพระวิไนทอนประกอบด้วยองค์ห้านับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือ 1. ไม่กำหนดที่สุดถ้อยคำของตน 2. ไม่กำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่น สไม่กําหนดที่สุดถ้อยคําของตนทั้งไม่กําหนดที่สุดถ้อยคําของผู้อื่นแล้วปรับอาบัติ 4. ปรับอาบัติโดยไม่ชอบธรรม 5. ปรับอาบัติไม่ตามปฏิญญาพระวินัยทรประกอบด้วยองค์5นับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. กําหนดที่สุดถ้อยคําของตน 2. กำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่น 3. กํกำหนดที่สุดถ้อยคำของตนทั้งกำหนดที่สุดถ้อยคำของผู้อื่นแล้วปรับอาบัติ 4. ปรับอาบัตตามธรรม 5. ปรับอาบัตตามปฏิญญาพระวินัยทอนประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีก5นับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือ 1. ไม่รู้อาบัต 2. ไม่รู้มูลของอาบัติ 3. ไม่รู้เหตุเกิดอาบัติี่ไม่รู้การระงับอาบัติ 5. ไม่รู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอาบัตพระวินัยทอนประกอบได้องค์5นับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. รู้อาบัติ 2. รู้มูลของอาบัติ 3. รู้เหตุเกิดอาบัติ 4. รู้การระงับอาบัติ 5. รู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอาบัติพระวินันทนประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีก5นับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือ 1. ไม่รู้อธิกรณไม่รู้มูลของอธิกรณ ไม่รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ 4. ไม่รู้การระงับอธิกรณ์ 5. ไม่รู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอธิกรณ์พระวินัยทอนประกอบด้วยองค์5นับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. รู้อธิกรณ์ 2. รู้มูลของอธิกรณ์ 3. รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ 4. รู้การระงับอธิกรณ์รู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอธิกรณ์พระวินัยทอนประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีก5นับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือ 1. ไม่รู้วัตถุ 2. ไม่รู้เหตุเขาหมูล 3. ไม่รู้บัญญัติ 4. ไม่รู้อนุบัญญัติ 5. ไม่รู้ถ้อยคำแห่งอนุสนธิพระวินัยทอนประกอบด้วยองค์หนับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. รู้วัตถุสอรู้เหตุข้ามูล 3. รู้บัญญัติ 4. รู้อนุบัญญัติ 5. รู้ถ้อยคำแห่งอนุสนธิพระวินัยทอนประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีก5้า นับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือ 1. ่ไม่รู้ยติ 2. ไม่รู้ตั้งยติ 3. ไม่ฉลาดในเบื้องต้น 4. ไม่ฉลาดในเบื้องปลาย 5. ไม่รู้การพระวินัยทรประกอบได้องค์5นับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. รู้ยติ 2. รู้ตั้งยติ3ฉลาดในเบื้องต้น4ฉลาดในเบื้องปลาย5รู้การพระวินัยทรประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีก5นับว่าเป็นผู้โง่เข า, ค, าคือ 1. ไม่รู้อาบัตและอนาบัติ 2. ไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก 3. ไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 4. ไม่รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบ 5. ไม่ยึดถือไม่ใส่ใจไม่ใคร่ครวนถ้อยคำที่สืบต่อจากอาจารย์ให้ดีพระวินัยทอนประกอบได่องค้หนับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. รู้อาบัตและอนาบัต รู้อาบัติเบาและอาบัติหนัก 3. รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ 4. รู้อาบัติชั่วยาบและอาบัติไม่ชั่วยาบห้ายึดถือใส่ใจใคร่ครวนถ้อยคำที่สืบต่อจากอาจารย์ด้วยดีพระวินัยทอนประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีกห้านับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือ หนึ่งไม่รู้อาบัตและอนาบัตสองไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนักสามไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือสี่ไม่รู้อาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วหยาบห้าจำปฏิโมกทั้งสองโดยพิสดารไม่ดีจำแนกไม่ดีไม่คล่องแคล่ววินิจฉัยโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะไม่ดีพระวินัยทรประกอบได้องค์5นับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. รู้อาบัตและอนาบัติ 2. รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก 3. รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 4. รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วหยาบ 5. าจำปฏิโมกทั้งสองโดยพิสดารได้ดีจำแนกได้ดีคล่องแคล่วดีวินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะได้ดีพระวินัยทอนประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีก5นับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือ 1. ไม่รู้อาบัตและอนาบัติ 2. ไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก 3.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 รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 4. รู้อาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วหยาบ 5. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรว่าด้วยภิกษุอยู่ป่าเป็นต้นภิกษุผู้ถืออยู่ป่ามีห้าจำพวกคือ 1. เพราะเป็นผู้โง่เขลงมงายจึงอยู่ป่า 2. เป็นผู้ปรารถนาเลวทามถูกความอยากครอบงำจึงอยู่ป่า 3. เพราะมัวเมาจิตฟุ้งซ่านจึงอยู่ป่า 4. เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าสันเสริญจึงอยู่ป่า 5. เพราะอาศัยความมักน้อยสันโดษขัดเกลาความเงียบสงด และเพราะอาศัยว่าการอยู่ป่ามีประโยชน์ด้วยการปฏิบัติอันงามนี้จึงอยู่ป่าภิกษุผู้ถือเที่ยวบินทบาตมีห้าจำพวกละภิษุผู้ถือผ้าบางสุกุลมีห้าจำพวกละภิษุผู้ถืออยู่โคนไม้มีห้าจำพวกละพิษุ ผู้ถืออยู่ป่าช้ามีห้าจำพวกละภิกษุผู้ถืออยู่กลางแจ้งมีห้าจำพวกละภิกษุผู้ถือผ้าสามผืนมีห้าจำพวกละภิกษุผู้ถือเที่ยวบินธบาตตามลําดับมีห้าจำพวกละ ภิกษุผู้ถืออาการนั่งมีห้าจำพวกละภิกษุผู้ถืออยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้มีห้าจำพวกละภิกษุผู้ถือนั่งฉันนะัอาสนะแห่งเดียวมีห้าจำพวกละภิกษุผู้ถือการห้ามพัดที่เขานามาถวายเมื่อภายหลัง มีห้าจำพวกละภิกษุผู้ถือฉันเฉพาะในบาทมีห้าจำพวกคือ 1. เพราะเป็นผู้โง่เขล์งมงายจึงถือการฉันเฉพาะในบาท 2. เป็นผู้ปรารถนาเรลวซามถูกความอยากครอบงำจึงถือการฉันเฉพาะในบาท 3. เพราะมัวเมาจิตฟุ้งซ่าน จึงถือการฉันเฉพาะในบาตรสเพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญจึงถือการฉันเฉพาะในบาตรหเพราะอาศัยความมักน้อยสันโดษขัดเกลาความเงียบสงัดและเพราะอาศัยว่าการฉันเฉพาะในบาตรมีประโยชน์ด้วยการปฏิบัติอันงามนี้ จึงถือการฉันเฉพาะในบาทว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้ต้องถือนิสัยภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หจะพึงอยู่โดยไม่ถือนิสัยไม่ได้คือ 1. ไม่รู้อุโบสถสไม่รู้อุโบสถกรรม 3. ไม่รู้ปาติโมก 4. ไม่รู้ปาติโมกขุดเทศ 5. มีพันษาหย่อนห้า ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าไม่ถือนิสัยแล้วควรอยู่ได้คือหนึ่งรู้อุโบสถสองรู้อุโบสถกรรมสามรู้ปาติโมกสี่รู้ปาติโมกขุเทศห้ามีพรรษาครบห้าหรือมีพรรษาเกินห้าภิกษุผู้ประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีกห้าไม่ถือนิสัยแล้วไม่ควรอยู่คือ 1. ไม่รู้ปวารณา 2. ไม่รู้ปวารณากรรม 3. ไม่รู้ปาติโมก 4. ไม่รู้ปาติโมกขุดเทศ 5. มีพันษาหย่อน5ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หไม่ถือนิสัยแล้วควรอยู่ได้คือ 1. รู้ปวารณา 2. รู้ปวารณากรรม 3. รู้ปาติโมก 4. รู้ปาติโมกขุดเทศ 5. มีพรรษาครบ 5. ห, หรือมีพรรษาเกิน 5. ภิกษุผู้ประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีก 5. ไม่ถือนิสัยแล้วไม่ควรอยู่คือ 1. ไม่รู้อาบัตและอนาบัตส 2. ไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก 3. ไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 4. ไม่รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัติไม่ชั่วยาบหมีพันสาหย่อน5ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5ไม่ถือนิสัยแล้วควรอยู่ได้คือ 1. รู้อาบัตและอนาบัตสอรู้อาบัติเบาและอาบัตหนัก 3. รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 4. รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วยาบ 5. มีพรรษาครบ5หรือมีพรรษาเกิน5ภิกษุณีประกอบได้องค์5ไม่ถือนิสัยแล้วไม่ควรอยู่คือ 1. ไม่รู้อุโบสถ 2. ไม่รู้อุโบสถกรรม 3. ไม่รู้ปาติโมก f ไม่รู้ปาติโมกขุดเทศ 5. มีพันสาหย่อน 5. ภิกษุณีประกอบได้องค์5ไม่ถือนิสัยแล้วควรอยู่ได้คือ 1. ร, รู้โบสถ 2. รู้โบสถธรรม 3. รู้ปาติโมก 4. รู้ปาติโมกขุดเทศ 5. มีพรรษาครบ5หรือมีพรรษาเกิน5ภิกษุณีประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีก5ไม่ถือนิสัยแล้วไม่ควรอยู่คือ 1. ไม่รู้ปวารณา 2. ไม่รู้ปวารณากรรม 3. ไม่รู้ปฏิโมก 4. ไม่รู้ปฏิโมกขุดเทศ 5. มีพรรษาหย่อนห ภิกษุณีประกอบด้วยองค์5ไม่ถือนิสัยแล้วควรอยู่ได้คือ ,"1. รู้ประวารณา 2. รู้ประวารณากรรม 3. รู้ปาติโมก 4. รู้ปาติโมกขุเทศ 5. มีพรรษาครบ5หรือมีพรรษาเกิน5ภิกษุณีประกอบแม้ด้วยองค์อื่นอีก5ไม่ถือนิสัยแล้ว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 ว่าด้วยโทษในกรรมไม่น่าเลื่อมใสเป็นต้นกรรมที่ไม่น่าเลื่อมใสมีโทษห้าอย่างคือ 1. ตนเองก็ติเตียนตน 2. ผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วก็ติเตียน 3. กิตติศัพท์อันชั่วย่อมขจรไป 4. หลงลืมสติตาย 5. ห, หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบาย ทุกคติวินิบาตนรกกรรมที่น่าเลื่อมใสมีอนิสง์ห้าอย่างคือ 1. ตนเองก็ไม่ติเตียนตน 2. ผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วก็สรรเสริญ 3. กิตติศัพท์อันดีย่อมขจรไป 4. ไม่หลงลืมสติตาย 5. ห, หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ กรรมที่ไม่น่าเลื่อมใสมีโทษแม้อื่นอีกห้าอย่างคือ 1. ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมไม่เลื่อมใส 2. บางพวกที่เลื่อมใสแล้วกลับแปลเป็นอื่นไป 3. ไม่เป็นอันทมตามคำสอนพระศาสดา 4. ชนรุ่นหลังย่อมไม่ยึดถือเป็นแบบอย่าง 5. จิตของเขาไม่เลื่อมใส ธรรมที่น่าเลื่อมใสมีอนิสงส์ห้าอย่างคือ 1. ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใส 2. ผู้ที่เลื่อมใสแล้วย่อมเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป 3. เป็นอันทําตามคําสอนพระศาสดา 4. ชนรุ่นหลังย่อมยึดถือเป็นแบบอย่าง 5. จิตของเขาย่อมเลื่อมใสภิกษุ ผู้เขา้าไปสู่ตระกูลมีโทษห้าอย่างคือ 1. ต้องอาบัตเพราะเที่ยวไปไม่บอกลา 2. ต้องอาบัตเพราะนั่งในที่ลับ 3. ต้องอาบัตเพราะอาสนะกำบัง 4. แสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 ถึงคำต้องอาบัต 5. เป็นผู้มากด้วยความดมริในกามอยู่ ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลคลุกคลีอยู่ในตระกูลเกินเวลามีโทษ5อย่างคือ 1. พบมาตุคามเป็นประจำสอเมื่อมีการพบก็มีการเกี่ยวข้อง 3. เมื่อมีการเกี่ยวข้องก็มีความสนิทสนม 4. เมื่อมีความสนิทสนมก็มีจิตกําหนัด 5. เมื่อมีจิตกําหนัด ก็เป็นอันหวังข้อนี้ได้คือเธอจกไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์จกต้องอาบัติที่เศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจกบอกลาสิกขาเพื่อเป็นขรหัสว่าด้วยพืชและผลไม้พืชพันธุ์มีห้าชนิดคือ 1. พืชพันธุ์เกิดจากเงา 2. พืชพันธุ์เกิดจากลำต้น 3. พืชพันธุ์เกิดจากตา 4. พืชพันธุ์เกิดจากยอด 5. พืชพันธุ์เกิดจากเมล็ดผลไม้ที่ควรบริโภคด้วยวิธีอันควรแก่สมณะมี5คือ 1. ผลไม้ที่หล่นไฟ 2. ผลไม้ที่กรีดด้วยสัตรา 3. าผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ 4. ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด 5. ผลไม้ที่ปล่อนเอาเมาเล็ดออกแล้วว่าด้วยวิสุทธิหวิสุทธิมี5แบบคือ 1. ยกนิทานขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุทเทศที่เหลือด้วยสุตรตบทนี้เป็นวิสุทธิแบบที่หนึ่งสยกนิทานขึ้นแสดงยกบาราชิกสีขึ้นแสดงจบแล้ว พึงสวดอุดเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้เป็นวิสุทธิแบบที่สองสยกนิทานขึ้นแสดงยกปาราชิกสี่ขึ้นแสดงยกสังคาทิเศสิบสามขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุดเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้เป็นวิสุทธิแบบที่ส 4. ยกนิทานขึ้นแสดงยกปาราชิกสี่ขึ้นแสดง ยกสังคาทิเศษสิสามขึ้นแสดงยกอนิยต2ขึ้นแสดงจบแล้วพึงสวดอุทเทศที่เหลือด้วยสุตบทนี้เป็นวิสุทธิแบบที่4 5. ยกขึ้นแสดงโดยพิสดารทั้งหมดเป็นวิสุทธิแบบที่5้วิสุทธิแม้อื่นอีกมี5แบบคือ 1. สุตตตุทเทศอุโบสถ 2. องปริสุทธิอุโบสถ 3. อธิฐานะอุโบสถ 4. ส, สามัคคีอุโบสถ 5. ้ปวารณาว่าด้วยอนิสงการทรงวินัยเป็นต้นการทรงวินัยมีอนิสงฆ์ห้าอย่างคือ 1. เป็นอันคุ้มครองรักษากองศีลของตนไว้ดีแล้ว 2. ผู้ที่ถูกความรังเกียจครอบงำย่อมหวนระลึกได้ส กล้าพูดในถามกลางสง4คมด้วยดีซึ่งฆ่าศึกโดยสหธรรม5เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมการงดปฏิโมกไม่ชอบธรรมมีห้าอย่างการงดปฏิโมกชอบธรรมมีห้าอย่างปัญจกะวาระ